บทที่ยีผู้ไม่กลับมาโลกเหล่านี้เป็นเพียงโรงเรียนเตรียมโรงเรียนหนึ่งในบรรดาโรงเรียนเตรียมอันมีจำนวนนับไม่ท้วนสําหรับการพัฒนาหรือการศึกษาของวิญญาณมันเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในสากลจักรวาลและอย่างดีที่สุดก็เป็นโรงเรียนชั้นต่าแห่งหนึ่งเท่านั้นเอง โลกเราถือกำเนิดจากอวกาศและมันก็จะละลายหายไปในอวกาศในวันหนึ่งแต่แม้หลังจากที่โลกเช่นนี้นับจำนวนไม่ถ้วนได้เกิดขึ้นมาและสลายตัวไปแล้ววิญญาณก็จะดารงอยู่ตลอดไปนานเท่านั้นดังนั้นเมื่อว่าในแง่ปรมาทนายัยเราจึงไม่ควรจะถือว่าโลกนี้มีความสำคัญหรือยิ่งใหญ่มากมายนักแต่การถือว่า วิญญาณจะไม่มีความสามารถข้ามพลแรงดึงดูดของความอยากในโลกไปได้หรือต้องวนเวียนอยู่กับโลกตลอดไปนานเท่านานเช่นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นการคิดผิดเหมือนกันสำหรับบุคคลส่วนมากอาจเป็นจริงตามนั้นไปอีกนานแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ยังมีบุคคลและวิญญาณอีกประเภทหนึ่งที่สามารถตัดความหลงและความอะไรในโลกได้จริงๆท่านเหล่านี้แลคือผู้ไม่กลับมาอีกต่อไป ดังนั้นจึงมีวิญญาณในโลกทิพย์และบุคคลในโลกเรานี้อยู่จำนวนหนึ่งที่ได้วิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้แล้วสำหรับผู้ที่เป็นมนุษย์นั้นเมื่อละจาัด ก, กายเนื้อเข้าถึงโลกทิพย์แล้วก็เป็นอันสถิตอยู่ในโลกทิพย์ตลอดไปโดยทำการเลื่อนขั้นตนเองณที่นั้นเลยนอกจากนั้นในโลกมนุษย์ก็ยังมีมนุษย์อีกจ ำ, วก น, น, น, จำนวนหลายตัวหลายพันเหมือนกัน ที่ได้พัฒนาถึงขั้นสูงกับถึงขนาดนั้นกล่าวคือจะต้องมาถิดกำเนิดในโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวและก็จะไม่ต้องมาอีกและในครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็จะเป็นครั้งที่มีสติปัญญาสูงมากในปัจจุบันนี้เรากําลังจะมาถึงที่สุดแห่งยุคซึ่งจะมีบุคคลเป็นจำนวนมากกาลังทำความภาคเพียนทางจิตอย่างรีบเร่ง เป็นดาท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงมีหลายท่านที่รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วยเหมือนกันไม่มีคำพูดสำหรับบรรยายสภาวะชั้นสูงขึ้นไปการที่จะพูดถึงสภาวะความเป็นไปของภูมิสูงให้เป็นที่เข้าใจและนึกวาดภาพมองเห็นตามได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์เลยเพราะเราไม่มีภาษาพูดที่จะบรรยายได้เต็มที่และนอกจากนั้นจิตของเราก็ยังอยู่ในระดับต่าจึงไม่สามารถที่จะนึกวาดภาพไปตามที่เห็นจริงได้กล่าวได้ว่าสำหรับจิตที่ยังพัฒนามาไม่ถึงนั้นแม้เพียงแต่จะนึกหรือคิดตามก็ยังไม่ไหวและนี่ก็หมายถึงโลกทิพที่อยู่ในระดับภูมิชั้นกลางเท่านั้น ไม่ต้องกล่าวถึงภูมิชั้นสูงกว่าจะอยู่เหนือระดับความนึกคิดของมนุษย์ส่วนมากสักเพียงไรและก็ไม่ต้องกล่าวถึงภูมิที่เหนือแม่โลกที่ขั้นสูงสุดขึ้นไปอีกเราจะนึกได้ก็แต่เพียงว่ามีสภาวะความเป็นอยู่แห่งชีวิตที่ละเอียดราณีเหนือขึ้นไปเป็นชั้นๆภูมิแล้วภูมิเล่านับจํานวนไม่ถ้วนซึ่งมีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งกว่ากันขึ้นไปเป็นลําดับและวิ ญ, ญญาณทั้งปวงก็กําลังบ่ายหน้าไปสู่ภูมิเหล่านี้ ช้าบ้างเร็วบ้างตามแต่กรรมของตนในที่สุดก็จะบรรลุถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นอันดับสุดท้ายของการวิวัฒนาการการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายกลับไปกลับมาอยู่ในโลกนี้ได้วิญญาณจะต้องมีปัญญาเข้าใจถึงสภาวะของตนเองและความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กับสภาวะที่เป็นอนันตการหรือที่เป็นส่วนรวมนี้หมายถึงการรู้แจ้งความเป็นมายาของจักรวาลที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ต่างๆและได้รู้ว่าโลกทางจิตเป็นโลกที่จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ความผูกพันและติดข้องในวัตถุก็จะเริ่มคลายตัวและวิญญาณก็จะเริ่มพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางออกจากสิ่งที่ผูกมัดอยู่ ความเป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดดวงจิตนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของปรัชญาของท่านโยคีเป็นเหตุผลจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางของโยคะบางคนก็เข้าถึงจุดนี้ได้โดยการปฏิบัติ ด, ด้วยความซื่อตรงบางก็เข้าถึงได้โดยการแผ่เมตตาให้แก่สภาวะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นส่วนรวมและสภาวะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนย่อยในตัวของคนทุกคน บางก็ใช้ปัญญาและเข้าถึงด้วยความรู้จากการปฏิบัติด้วยปัญญานั้นบางก็อาศัยการพัฒนายานภายในแนวการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ก็ลวนเป็นทางสายต่างๆเพื่อให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนั่นเองเมื่อปฏิบัติถึงขีดสุดแล้วความอยากหรือตัณหาก็ถึงความสิ้นสุดแล้วและวิญญาณก็เป็นอิสระจากโลกพร้อมที่จะเหินลม ลัทธยานขึ้นสู่ห้วงเวหาแห่งความสมบูรณ์ทางจิตได้อย่างเต็มที่ประชยาหรือแนวทางปฏิบัติในตะวันออกล้วนมีเรื่องเช่นนี้เป็นการกลางเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยและเรียกชื่อต่างๆกันไปบ้างก็ตามผู้เข้าใจความจริงเรื่องนี้แล้วจะทราบได้ว่าคำสอนของศาสนาต่างๆย่อมมีความจริงอันลึกซึ้งในด้านในแปลงอยู่ด้วยทั้งสิ้น หมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าจุดหมายปลายทางของหลายศาสนานั้นอาจมีความคล้ายกันมุ่งไปสู่จุดเดียวกันแต่การเข้าใจการอธิบายวิธีปฏิบัตินั้นอาจมีความแตกต่างกันได้มากในที่นี้ก็อย่าลืมนะครับว่าท่านอธิบายตามความรู้ความเข้าใจของท่านซึ่งในเรื่องจุดสูงสุดนั้นมีความต่างจากคาสอนของพุทธอยู่พอสมควรทั้งเรื่องภูมิสูงสุด และการไม่กลับมาเกิดซึ่งในแง่ของพุทธนั้นการไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะต้องบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นต้องมีความเข้าใจเรื่องอนัตตาเรื่องไตรลักษณ์ในระดับที่มากพอคําว่าภูมิสูงสุดของศาสนาอื่นนั้นก็ยังเป็นภูมิภูมิหนึ่งที่ปราณีตขั้นสูงสุดแต่ยังไม่ใช่การสิ้นสุดวัฏสงสารคือการบรรลุนิพพานที่ต้องบรรลุธรรมเป็นลําดับขั้นซึ่งผู้ศึกษาชาวพุทธ ควเข้าใจในแง่มุมนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าเที่ยงหรือที่เรียกว่าสัตตตาทิฏฐิซึ่งจะ น, นําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เพียงแต่ว่าความยาวนานในสวรรค์ชั้นประณีสูงสุดนั้นอาจจะยาวนานจนแม้แต่เทวดาเองก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเที่ยงแท้ถาวร น, นะครับและผู้จะบรรลุนิพพานจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องปฏิบัติทางเดียวคือทางสายเอก ประกอบด้วยมารกมีองค์8ครบบริบูรณ์เท่านั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับข อ, อนำคำพูดของนักเขียนชาวตะวันตกผู้หนึ่งที่ได้เขียนถึงเรื่องตะวันออกไว้มาให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดังต่อไปนี้คำสอนของทางฝ่ายอินดูมีความมุ่งหมายให้ทุกคน เป็นจิตธมะคือเป็นนายของตนเองโดยสมบูรณ์อยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกทุกประการสัตว์โลกทั่วไปที่มีอันจะต้องตายเป็นธรรมดามีสภาพเป็นเสมือนนักโทษคือถูกผูกมัดติดข้องอยู่ในโลกแห่งประสาทสัมผัสที่เป็นมายาผู้หวังความเป็นอิสระจะต้องพยายามทําลายเครื่องผูกมัดหรือความติดขอด้องดังกล่าวแล้วเสียก่อน ทั้งนี้จะกระทำได้โดยการบำเพ็ญตะบะทรมานตนอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานพอเมื่อการบำเพ็ญเพียรได้มาถึงขั้นที่เพียงพอแล้วแม้บุคคลผู้นั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่กับมนุษย์ในโลกมนุษย์ก็ตามแต่เทวว่าเรื่องความเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์จะเลื่อนหลุดและไหลออกไปจากท่านเหมือนกับน้าไหลลงจากหลังเป็ดฉะนั้นการดารงชีวิตในโลกมนุษย์ของท่าน จึงเปรียบเหมือนกงล้อที่ยังหมุนต่อไปอีกพักหนึ่งโดยที่แรงกระตุ้นให้หมุนได้สิ้นสุดลงแล้วฉะนั้นโดยอีกนัยยะหนึ่งก็คล้ายกับการแกว่งไกวของกิ่งไม้ที่เกิดจากการที่นกได้ทลาบินออกไปแล้วเกิดจะแกว่งอยู่เล็กน้อยชั่วขณะหนึ่งท่านนั้นเป็นผู้ตื่นแล้วในเมื่อเทียบกับชนทั้งหลายผู้หลับและมีปัญญาจากสุขอันมืดมิด ด้วยความหลงไหลในสิ่งที่เป็นมายาท่านนั้นเป็นอิสระแล้วเมื่อเทียบกับชนทั้งหลายผู้ยังถูกผูกมัดติดข้องกับโลกตลอดเวลาแนวทางปฏิบัติแบบต่างๆอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังมีความเข้าใจผิดที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องการบำเพ็ญตบะและทรมานกายอย่างเคร่งครัดอันที่จริงท่านผู้รู้ทั้งหลายยอมไม่ส่งเสริมและสรนเสริญการบำเพ็ญทรมานกายเช่นนั้นเลยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือการเจริญปัญญาและการทาใจให้บริสุทธิ์เพื่อรับกระแสปัญญาจากเบื้องบน ซึ่งจะไหลเข้ามาโดยบังเกิดเป็นยานความรู้ขึ้นเองจากภายในนั่นที่จริงการที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกก็เพราะเรายังไม่มีกำลังปัญญาพอที่จะเห็นโทษของมันนั่นเองถ้ากำลังปัญญาของเรามีพอแล้วก็สามารถจะเห็นสภาวะที่แท้จริงและหมดความทยานอยากหรือความติดข้องไปเองวิธีปฏิบัติแบบภักติโยคะ คือถื อ, ค, อความซื่อสัตย์มุ่งมั่นต่อสภาวะสูงสุดเป็นแนวทางก็ดีวิธีปฏิบัติที่เรียกว่ากรรมโยคะคือการทำงานด้วยความมุ่งมั่นในอุดมคติโดยไม่คิดถึงรางวัลก็ดียอมเป็นหนทางบรรเทากิเลส ท, ที่ปิดบังดวงตาคือปัญญาได้เหมือนกันแต่วิธีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือญาณโยคะ ซึ่งเป็นหนทางเจริญปัญญาโดยเฉพาะสำหรับผู้ต้องการหลุดพ้นด้วยปัญญาข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำให้ท่านศึกษาปรัชญาฝ่ายโยคะหรือคำสอนของศาสนาทางตะวันออกอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาโดยส่วนใหญ่คำสอนเหล่านี้ถ้าท่านปฏิบัติตามก็จะเป็นเครื่องเจริญปัญญาทาให้เห็นแจ้งความจริงในทางจิตซึ่งมีแฝงอยู่ในศาสนาทั้งหลาย ถ้าเราได้เข้าใจแก่นของคำสอนเหล่านั้นโดยถูกต้องหมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะมีการอธิบายธรรมะไปในแนวของฮินดูซะส่วนมากซึ่งเป็นฮินดูในระดับลึกในระดับปัญญาต่างกับที่เราเห็นโดยทั่วไปที่ยังติดแคบเหลือก คือพิธีกรรมและการบูชาเทพที่ถูกเติมแต่งเข้ามาจนกลบแก่นสำคัญในการปฏิบัติธรรมไปซะแท้หมดสิ้นนะครับจากการที่บายของท่านนั้นจะเห็นได้ว่าหลักใจความสำคัญส่วนใหญ่นั้นมีความคล้ายกับคำสอนของพุทธอย่างมากการทำสมาธิจน จ, นจิตปราณีตในขั้นสูงสุดนั้นความจริงยังถือว่าเป็นโลกิยะปัญญานะครับซึ่งในสภาวะจิตปราณีตมากนั้นจะทาให้เข้าใจว่าหลุดพ้นจากกิเลสแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเสื่อมลงได้สุดท้ายกิเลส ท, ที่กดทับไว้ก็จะผุดขึ้นมาอีกครั้งทาให้กรับต้องมาบินไหวตายเกิดต่อไปซึ่งอาจจะยาวนานมากโดยที่ทำให้แม้แต่เทวดาบางท่านก็เกิดมิจฉาทิฐิเข้าใจไปว่าสภาวะนั้นคือสภาวะสูงสุดเป็นความเที่ยงยั่งยืนนั่นเองตราบใดที่ยังไม่เจริญปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญาของจริงยังไม่รู้แจ้งในอริยาสาัจสีปฏิจจสมุปบาท ละปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปจนครบบริบูรณ์ก็ไม่อาจจะหลุดพ้นได้จริงคําสอนที่สําคัญคือเรื่องอนัตตาที่ทําให้คําว่านิพพานคือการหลุดพ้นจากการเกิดตายได้จริงนั้นมีอยู่ในเฉพาะศาสนาพุทธทนั้นนะครับการไม่เข้าใจอนัตตาและลงผิดคิดไปว่าทุกสิ่งเที่ยงยั่งยืนอันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สําคัญนั้นจะนําความเสียหายมาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างมากมายในระยะยาวแล้วแก้ไขได้ยากมากนะครับ มนันมีค่าเป็นธรรมโอสถต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเสนออา ธ, าธิบายของหนังสือเล่มหนึ่งในบรรดาหนังสือทั้งหลายที่นำทางให้เกิดปัญญาและปลุกใจให้เกิดความกล้ากอ้าจหารในการทำความดีเพื่อผลในทางวิญญาณซึ่งในตัดตอนมาจะคำอธิบายของหนังสือชื่อ Light on the Path ดังต่อไปนี้ ท่านทั้งหลายจงสอหารากเงาของความชั่วในดวงใจของท่านเองแล้วแลกุดค้นมันออกมาทำลายเสียรากเงาของความชั่วดังกล่าวนี้มีอยู่ทั่วในดวงใจของคนที่ถูกตัณหาครอบงำโดยทั่วไปและในใจของนักศาสนาที่เครงครัดเหมือนกันคนแข็งแรงเท่านั้นจึงจะฆ่ามันเสียได้แต่คนอ่อนแอจะมัวแต่คอยให้มันงอกงามผลิ ด, ดอกออกผลแล้วตายไปเอง ก็ความชั่วนี้มันเป็นต้นไม้ที่สามารถจเจริญงอกงามอยู่ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยโดยไม่มีวันตายเองมันจะออกดอกงอกงามในเมื่อบุคคลเวียนเกิดแล้วตายอีกอยู่โดยไม่รู้จบคนที่ต้องการจะเข้าสู่มรรคปฏิปทาแห่งการปฏิบัติธรรมอันจะทำให้เข้ามีกำลังเข้มแข็งจะต้องฉีกมันให้ขาดออกไปจากหัวใจของเขาให้ได้แน่ล่ะหัวใจของเขาจะต้องมีโลหิตออกไหลโสม และชีวิตของเขาก็จะคล้ายกับแตกทำลายเป็นผุยผงแต่เรื่องเช่นนี้เป็นความทรมานซึ่งเขาจะต้องทนและผ่านไปให้ได้บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นในระยะแรกๆของการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคอันจะนำไปสู่ชีวิตใหม่แต่ในบางกรณีมันก็อาจจะเกิดขึ้นในระยะสุดท้ายแต่นั่นแหละขอท่านผู้แสวงหาความจริงทั้งหลายพึงระลึกไว้เสมอว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจนได้ และขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีจงอย่าหมกมุ่นในอดีตจงอย่า ก, กังวลถึงอนาคตแต่จงอยู่ในภาวะที่เป็นอนันตการไม่รู้จบคือปัจจุบันในภาวะอันเป็นอนันตการนั้นวัชพืชคือโทษทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีโอกาสเจริญงอกงามในสภาวะดังกล่าวนี้จะไม่มีเมฆใหญ่ฟ้าทั้งปวงมารบกวนให้เศร้าหมองได้เลย ถ้าท่านต้องการผลขอให้คิดว่ามันเหมือนดอกไม้ซึ่งเบ่งบานอย่างงอกงามในความสงัดซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังพายุกล้าเท่านั้นแต่ไม่ใช่ก่อนพายุอนันรุนแรงนั้นเลยทั้งกลางการต่อสู้การขับเคี้ยวอย่างทรหยต้นไม้ที่จะผลิต ด, ดอกไม้คือผลงานอันน่าชื่นใจนี้จะเจริญงอกงามออกรากและแตกหน่อแทงขึ้นมาเหนือพื้นดินมันจะขยายกิก่งก้านผลิตใบน้อยใหญ่ และออกดอกตูมาให้เราเห็นแต่จะยังไม่บานก่อนมันจะยังไม่บานจนกว่าส่วนแห่งอำ น, นาจศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สร้างสารรค์มันขึ้นมาเพื่อทดลองความทนทานและคุณสมบัติต่างๆนั้นจะได้ยื่นมือเข้ามาประคองไว้จนกว่าธรรมชาติทั้งปวงได้ยอมแพ้คือหมายถึงพายุอันรุนแรงได้สงบลงและความรุนแรงเดือดร้อนต่างๆได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างสารรค์ความเจริญไม่ใช่เครื่องมือสําหรับทําลายดังแต่ก่อน จากนั้นเมื่อพายุร้ายสิ้นสุดสิ่งที่เกิดตามมาคือความสงบชนิดที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศร้อนหลังจากฝนตกใหญ่ในสภาวะเช่นนี้ธรรมชาติดำเนินงานอย่างรวดเร็วเหลือเกินจนกระทั่งเราแทบจะตามดูไม่ทันรถตามปกติงานของธรรมชาติจะช้ากินเวลานานเช่นการบานของดอกไม้เป็นต้นเราจะเฝ้าดูอย่างไร ก็จะไม่ค่อยเห็นชัดว่ามันบานขึ้นเรื่อยๆนอกจากว่าจะใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ชนิดที่เปิดหน้ากล้องเป็นพักๆทุกระยะ5้าหรือส0นาทีเป็นต้นเท่านั้นความจริงเช่นนี้เราจะเห็นได้จากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติบางเรื่องในที่สุดความสงบเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นแก่วิญญาณซึ่งถูกพายุร้ายและอำนาจของธรรมชาติกระหน่ำซ้ำเติมอย่างรุนแรง ในความสงบเย็นลึกซึ้งนี่เองสิ่งที่ลึกลับมหาัศาจรรย์จะเกิดขึ้นตามมาอันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิญญาณที่เข้าถึงจุดที่มุ่งหวังแล้วท่านจะเรียกจุดนี้ว่าอะไรก็ตามใจเพราะความจริงก็คือมันเป็นเสียงภายในซึ่งจะเปล่งออกมาให้ท่านได้ยินในเมื่อเสียงอื่นๆได้ดับสูญไปหมดสิ้นแล้วมันเป็นผู้นาข่าวแห่งความสาเร็จมาบอกให้วิญญาณรู้ตัว แต่มันก็เป็นผู้ส่งข่าวที่ไม่มีตัวมันเป็นดอกไม้ของวิญญาณที่บาดนี้ได้เบ่งบานอย่างเต็มที่แล้วอันที่จริงเราจะอุปมาอย่างไรก็จะไม่ทําให้เห็นหรือเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันเลยแต่หลังจากนั้นแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันอยู่กับท่านเสมอมองหาเมื่อใดก็พบต้องการเมื่อใดก็มา ไม่ว่าจะมีพายุร้ายพัดกระน่ำอีกหรือไม่ก็ตามความสงัดเดยือกเย็นดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะในบางรายหรืออาจจะเกิดขึ้นติดต่อกันนานถึงพันปีก็ได้ในรายอื่นๆแต่มันก็จะต้องสิ้นสุดลงหลังจากนั้นท่านจะเป็นผู้มีกำลังอยู่กับตัวการต่อสู้อาจจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกแต่แล้วท่านก็เอาใจ ช, ชนะได้ และในระหว่างการหยุดพักการต่อสู้นั้นธรรมชาติก็จะหยุดนิ่งความสงบเยือกเย็นก็จะปรากฏอีกหลังจากพายุร้ายผ่านไปแล้วในที่สุดนี้ข้าพเจ้าจะขอยุติข้อความในหนังสือเล่มนี้โดยจะขอคัดข้อความบางตอน จากหนังสือเริ่มที่กล่าวถึงข้างต้นเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยดังต่อไปนี้ความจริงสามประการต่อไปนี้เป็นความจริงนันยิ่งใหญ่สามประการซึ่งเป็นความจริงขั้นสูงสุดเป็นความจริงซึ่งไม่มีวันสูญหายหรือทำลายนอกจากว่าบางครั้งอาจจะไม่มีผู้ทราบหรือได้ยินเสียงประกาศตนเองของความจริงเหล่านี้เท่านั้น ความจริงสาประการนั้นคือ 1. วิญญาณของมนุษย์เป็นอมตะและมีลู่ทางที่จะพัฒนาได้ในอนาคตอย่างรุ่งโรจน์โดยไม่มีขอบเขตจำกัด 2. สภาวะที่ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาได้นั้นอยู่ได้ทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเราคือแม้ไม่ต้องอาศัยอัตภาพร่างกายมนุษย์นี้ ก็ยังมียังเป็นอยู่ได้เป็นสภาวะที่ไม่รู้จักตายและให้คุณแกเราอยู่เสมอเราไม่สามารถจะเห็นหรือได้ยินหรือรู้สึกถึงสภาวะดังกล่าวนี้ได้แต่ก็อาจจะรู้คือแบบเข้าถึงได้ถ้าเราต้องการความรู้แบบนั้น 3. ามทุกคนเป็นผู้สร้างกฎหมายขึ้นสำหรับตนเองอย่างแท้จริง เป็นผู้ทำให้ตนเองได้รับความรุ่งโรจน์และความตกต่ำเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตอนเองเป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษตนเองความจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับชีวิตของเราแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาไม่ยุ่งยากและสับสนซับซ้อน เช่นเดียวกับดวงจิตของมนุษย์เหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงป่าวประกาศความจริงเหล่านี้ให้แก่ผู้สแสวงหาความจริงทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันไม่มีความตายและบัดนี้ข้าพเจ้าก็าใครจะขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน เท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าอย่างน้อยก็คงจะเป็นเสมือนมเมล็ดพืชที่สามารถจะเจริญงอกงามเป็นไม้ใหญ่อันสมบูรณ์ขึ้นได้ในอนาคตและอันที่จริงจุดประสงค์ของครูอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นไปในทรรมนองนี้อย่างน้อยข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจแก่ท่านได้ตามสมควรว่าอันที่จริงนั้นไม่มีความตาย ดังที่เราเข้าใจโดยปกติเลยสิ่งที่เราสมมุติเรียกว่าความตายนั้นเป็นเพียงสิ่งที่นําไปสู่ชีวิตในอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองและเป็นความเป็นอยู่ของชีวิตใกล้เคียงกับชีวิตที่แท้จริงยิ่งกว่าชีวิตในโลกนี้เสียอีกขอให้ท่านจงเป็นผู้มีในตาคือปัญญาอันเปิดออกรับความรู้แจ้งในความจริงที่กล่าวมาแล้วด้วยตนเองเถินขอความสงบ องมีแก่ท่าน